บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐ า, านของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเนื่องจากวันนี้เป็นวันเฉลิมประชนพรรษาซึ่งประชาชนคนไทยได้ถือว่าเป็นวันสำคัญมีการแสดงออกซึ่งความจุรักบูกดีในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมในลักษณะศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่นอน้อมถวายเป็นราชกุศลในวรโรกาสพิเศษนี้และมีการกระทำอย่างต่อเนื่องสืบต่อกันมาโดยลำดับอันท้จริงการที่ใครจะเป็นอะไร ก็เป็นการสะท้อนธรรมะออกมาในลักษณะนั้นๆใครที่สามารถสะท้อนธรรมะออกมาได้มากก็กลายเป็นที่เคารพสักการะนับถือของบุคคลทั้งหลายแม้ตัวของท่านจะจากไปแต่คุณธรรมความดีเหล่านั้นก็จะมีการถ่ายทอดมีการสืบทอดกันมาโดยลำดับ แม้คนรุ่นหลังจะไม่พบเห็นรูปร่างหน้าตาของท่านแต่ก็ให้การยอมรับนับถือศรัทธามั่นคงในตัวของท่านข้อนี้บพงดูตัวอย่างาศาสดาทั้งหลายและมหาราชทั้งหลายตลอดถึงวีรชนทั้งหลายที่ได้จากไปแล้วในติตกาศนานไกล แต่ท่านเหล่านั้นก็ได้ทิ้งผลงานอันเป็นประโยชน์เกื้อคูลแก่โลกเอาไว้กคตรุ่ดหลักก็ให้การเคารพนับถือต่อท่านการแสดงออกส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือการบูชาความดีของท่านด้ ร, รูปแบบและพิธิกรรมตามที่กาหนดกันขึ้นที่ทางรัทธิศาสนาเรียกสรุปรวมว่าอามิสบูชา บูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆมีการถวายมาลาเครื่องสักการะดอกไม้ถู่เทียนแล้วก็ใช้วัตถุส่วนอื่นๆเป็นเครื่องมือในการแสดงออกซึ่งความเคารพนละืบ่บูชาเหล่านั้นแต่แนวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นแนวสำคัญเพียงแต่ไม่มีการตอกย้ําไม่มีการเน้นกันเป็นพิเศษ นั่นก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามนั้นที่จริงก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งคือจริยาวัดข้อประพฤติปฏิบัติของท่านผู้นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนับถือสกอาระอุจารท่านมีปฏิทปฏท า, ปทาปเป็นแบบอย่างซึ่งคนรุ่นหลังสามารถยึดถือเป็นแนวในการดำเนินชีวิต แม้จะไม่เข้าถึงความสุขสมบูรณ์อย่างที่ท่านสัมผัสแต่ก็เป็นการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับข้อปฏิบัติของท่านก็ทำให้ได้ลดความทุกข์ลงไปเพิ่มความสุขได้มากยิ่งขึ้นซึ่งคำสอนในแนวนี้ท่านสาชนทั้งหลายลองสังเกตว่าพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าปุ ก, กาชิตฐาน คือมีตัวอย่างบุคคลเรื่องราวขึ้นมาเป็นแบบในการศึกษาประพฤติธปฏิบัติในคำพีพระพุทธศาสนาเองสรงสัส่งสอนไว่มากชนเรื่องที่เกี่ยวกับชาดกมีถึง500กว่าเรื่องก็ต้องการสะท้อนธรรมะจากตัวบุคคลซึ่งเป็นตัวเอกในเรื่องเหล่านั้นให้บุคคลได้ยึดถือเป็นแนวในการประพฤติธปฏิบัติ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีถ้าสจำนวนลิเกส์จำนวนละครก็อาจจะเรียกว่าตัวโกงก็เป็นการสะท้อนอกุศลธรรมออกมาในการทําชั่วทุจริตต่างๆประสบผลกรรมความเดือดร้อนในชาตินั้นๆแล้วก็ตายไปแล้วไปตกรกจะเป็นการสะท้อนเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ เมื่อไม่ต้องการจะเป็นอย่างนี้ก็อย่าทำอย่างนี้จะเกิดสํานึกหวาดกลัวต่อบาปต่ อ, อกุศลรังเกยียจขยะกขยงการประพฤติการกระทําเช่นนั้นแล้วก็เปการงดเว้นไม่ปฏิบัติแต่บางอย่างที่เป็นการสะท้อนกันอย่าง จ, จัดจ้คือชัดเจนมากเป็นการแสดงถึงกระแสะกุศลที่แรงกับกระแสะของอกุศลที่แรง และจะท้อนผลทั้งสองด้านคือผลที่ออกมาเป็นความสุขความเจริญเป็นสวรรค์เป็นนิพพานแต่ผลที่ออกมาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนตายไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดุริชันปรากฏอยู่ในคมภีพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าวิมานวัตถุก็ดีเทระคาตาเทริคาตา เป็นการสะท้อนทั้งสองดันดานวิมานวัตถุแสดงถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมะของบุคคลนั้นๆในชาติที่ยังเป็นมนุษย์อยู่คือในชาติก่อนกอดของท่านแต่ถําให้ท่านมีความสุขในภพชาตินั้นๆตายแล้วก็ไปวงเกิดเป็นเทพบุตรเ ท, ทิดาตอนที่นำมาเล่านั้นท่านยังเป็นเทพบุตรเทวดาจ ในขณะเดียวกันก็ยังมีกุศลธรรมที่ยิ่งเกินไปกว่านั้นท่านสามารถประพฤติปฏิบัติได้พัฒนาจิตใจของท่านในสงบประนีขึ้นจนกลายเป็นพระยะบุคคลในระดับต่างต่างตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาในขณะที่พูดถึงนั้นท่านเป็นพระยะบุคคลอยู่บุคคลก็ได้เห็นความสงบความเยือกเย็น ความผ่องใสที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นว่าเป็นชีวิตที่ได้รับความสุขซึ่งอย่างน้อยก็ประณีตขึ้นกว่าการที่ได้เป็นเบียงมนุษย์ก็เป็นการปลุกราวกระตุ้นเตือนให้คนยึดถือแนวการดำเนินชีวิตของท่านเหล่านั้นผู้ปรารถนาสวรรค์สมบัติก็เน้นไปที่สวรรค์สมบัติผู้ปรารถนานิพพานสมบัติก็เน้นไปที่นิพพานสมบัติ แต่ในแง่ขององค์ธรรมแล้วเป็นเรื่องของธรรมะที่เข้มพเข้มข้นขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้แยกออกจากกันทำนองเดียวกับการศึกษาในวิจาการทางโลกนั่นเองเราจะเรียนจบไปจนถึงปริญญาเอรกระกีปริญญาก็ได้แต่ก็ไม่ละฐานที่เป็นภาษาที่เป็นสระ พยัญชนะวรรณยุกต์สกดการันตัวเลขต่างๆที่เราใช้ในตอนเป็นเด็กอนุบาลเพียงแต่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นลึกซึ้งออกไปขยายงวงกว้างออกไปโดยสระพยัญชนะเพียงไม่กี่ตัวาสามารถที่จะนํามาพูดมาเขียนสื่อกันได้ติดต่อกันได้ให้ความหมายกันได้กว้างขวางแต่ก็เป็นหลัาฐานดึง บนกระแสของกุศลธรรมเองก็มีลัาากษณะอย่างนั้นไม่ว่าจะสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมแก่คนระดับใดเป็นการสะท้อนปริมาณของกุศลที่มีมากมีน้อยมียิ่งมีหยอดกันเท่านั้นพอถึงจุดที่เป็นพระยะบุคคลก็คือความสมบูรณ์พร้อมแห่งกุศลธรรมทรั้งหลาย ที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำบาปตั้งปวงแล้วการทำกุศลในสมบูรณ์แล้วการทำจิตใด้่องแพร่แล้วเพราะจะสังเกตได้ว่าพระพุทธดรารัสข้อดีมันก็แสดงทั้งก่อนที่จะทำกระทำและหลังจะทำไปแล้วถึงหมายความว่าคนจะต้องมองเหตุโทษบาปต่างๆที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายซึ่งได้นำมาศึกษาในโอกาสดังนั้น แล้วก็ตั้งใจที่จะไม่ประพฤติกระทาบาปก็เริ่มมือลงมือการงดเว้นที่เรียกว่าสำรวจระวังไม่กระทาบาปจนไม่ได้กระทมบาปจริงๆคือไม่กระทาบาปด้วยประการทั้งปวงเป็นเป้าประสงค์ในฤกกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือต้องพิจารณาเห็นผลของกุศลธรรมทั้งหลาย ที่ปรากฏในรูปวิถีชีวิตของบุคคลที่มีความเจริญด้วยอายุวะนาสุขะพละความเป็นใหญ่สมบูรณ์พร้อมในรูปเสียงกริตรสผลพระธรรมารมที่ประนิษซึ่งเราเรียกว่าเป็นสวรรค์สมบัติแม้แต่มนุษย์สมบัติก็มีลักษณะลดหลั่นลงมาก็มองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นผลของกุศลธรรมที่ใครทา ก, ก็ได้ก็ได้เป็นกระบวนการของกรรม ตลอดั้งมองผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของประยะทั้งหลายซึ่งอันที่จริงก็เป็นความเข้มข้นขึ้นของการกระทำความดีนั่นเองพอเป็นพระหันแล้วก็สมบูรณ์พร้อมเพราะฉนั้นการทำกุศลให้สมบูรณ์นั้นจึงมีทั้งช่วงที่มองเห็ตกุศลมองเห็นความดีของการทำกุศลช่วงองการปฏิบัติกุศลธรรมเหล่ดนั้น ในช่วงที่ปริมาณของกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงความสมบูรณ์ก็กลายเป็นกุศลสูประสัมพดาหรือการทำกุศลในสมบูรณ์การนัจิตผ่องเผ้าก็มีลักษณะเะ่เดียกันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อบาปหมดไปบุญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็กลายเป็นจิตที่ผ่องเผาอย่างแท้จริง แต่ความปองแพ่ของจิตนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรก็มีพระพุทธพาสิทธะปรองยึดยนดันไว้ว่าปัญญายะบริสุทธิ์เจติบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคือใจจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาแม้ในสายที่ละเมียดละไมกว่านั้นที่ต้นใช้คําบาลีวัรมาติฐานาคือเน้นไปที่ตัวธรรมะอธิบายองค์ธรรมะเหล่านั้น ก็เป็นการสะท้อนธรรมแต่มันเป็นนามธรรมแต่พูดถึงสติสมัมปญญะพูดถึงความเพียรพูดถึงปัญญาพูดถึงกติสรุรจจะเป็นต้นแต่อย่างนั้นเป็นนามธรรมจะต้องมีพื้นฐานทางปัญญามากพอที่จะเข้าใจได้ถึงลักษณะของธรรมะเหล่านั้นถึงหน้าที่ของธรรมะเหล่านั้น ถึงผลที่ปรากฏภายในจิตเมื่อธรรมะเ่าดันมาเกิดขึ้นคล้ายๆกับลักษณะของน้ำของไฟลักษณะมันเป็นอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรมีผลที่ปรากฏภายในจิตอย่างไรมีอะไรเป็นกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นที้เกิดขึ้นคนก็เห็นภายในจิตตัวตัวเมื่อเห็นภายในจิตแล้วก็จะน้อมนาธรรมะเราดันมาปฏิบัติซึ่งผลก็จะออกมาแนวเดียวกัน เป็นเพียงวิธีการสอนการแนะนำเท่านั้นตอนนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับธรรมราชาคือเจ้าแห่งธรรมอย่างพระพุทธเจ้าหรือศ า, ศาสดาทั้งหลายหรือพระราชาที่เรียกว่าระดับมหาราชจริงๆมีผลงานเด็บโดดเด่นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ประเทศชาติประชาชน จนถึงอนุชนรุลหลังนั่นเมื่อเรามองธรรมะโดยสรุปมันก็คือเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากปัญญาที่พัฒนาเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นภายในจิตโดยลำดับทาให้กุศลลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มผลมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามองไปที่คุณธรรมหลักที่เราพูดถึงพระมารการะ ในทศพิธราจะทมที่มีอยู่1สิบประการนั้นตัวการสาคัญจริงๆมันอยู่ที่ข้อสุดท้ายคืออวิโรธธนาเป็นลักษณะของปัญญาที่ใช้สอดส่องพินิดปิจนาแล้วช่วยให้ธรรมะอก้าประการข้างต้นมีความถูกต้องสมบูรณ์ขึ้นโดยลำดับถึงองค์ธรรมในแนวนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับพวกกุศลกรรมบุ ที่เรามองในแง่ขององค์ธรรมก็มีถึงสิบข้อเลยแกแต่ข้อหลักจริงๆก็มีอยู่เพียงข้อเดียวคือข้อสุดท้ายที่เรียกว่าสมาธิิแม้เราพูดเรื่องบุญกิริยาวัตถุที่ปรากฏในหนังสือทางปุถุแต่ควจริงตัวการสุดท้ายที่สําคัญก็คือเรื่องของทิฏฐุชุกรรมคือการทําความคิดเห็นของตนให้ตรง พนสมารถิติก็ดีที่ถูกจุกกรรมก็ดีอวิโรธนะก็ดีเป็นเรื่องของปัญญาเป็นลักษณะเป็นอาการของปัญญาที่ใช้ไปในกรณีนั้นๆในราชสังกคหะสี่ข้อแต่จะทอนเห็นปัญญาชัดเจนเพราะแต่ละข้อนั้นจะใช้คำว่าเมธะซึ่่แปลว่าปัญญาหรือฉลาดหรือนักปราช ในจั ก, กรวตริวัตเองทั้ง12ข้อก็อเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องมองเห็นความจําเป็นที่จะต้องสงเคราะห์นุเคราะห์เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายตั้งแต่ใกล้ชิดพระองค์ออกไปจนถึงอาณาประชาราษฎราาดดและสัปสัตต์ทั้งหลายได้แว่นแควนของพระองค์เพราะธรรมะข้อนี้จะกลายเป็นธรรมะหลัก ในแต่การศัสรูของพระพุทธเจ้าเองก็ทรงศัสรู้เรียกว่าปัญญาเครื่องศัสรุหมายความว่าการศัสรูนั้นเกิดขึ้นจากคุณธรรมหลักคือปัญญาทำไมสามารถ พ, พัฒนาปัญญาขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นได้การศัสรูก็เกิดขึ้นไม่ได้การศัสรู้จึงเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากความสมบูรณ์พร้อมแห่งปัญญา ในความสมบูรณ์พร้อมอย่างปัญญาก็ผ่านขั้นตอนกัรปฏิบโดยลำ ด, ำดำับจนถึงจุดนั้นการสัจสรุปก็บังเกิดขึ้นและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแก่พระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวใครก็ตามที่พัฒนามาถึงจุดนั้นได้เราก็สามารถที่จะสัจสรุปธรรมะได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมีแล้วในอดีตพระอาจา์ทั้งหลายจึงมีแล้วในอด ต, ใ น, อตในปัจจุบันและแม้ในการต่อไปเพราะสายการพัฒนาั พัฒนาปัญญาเป็นหลักแ น, นการแสดงออกซึ่งความจงรับภักดีต่อสถาบันประมากษัตัิย์ก็ดีการแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือศรัทธาต่อพระรัตนตรัยก็ดีถ้าหากหากย้ายเกิดผลจริงๆสะัดได้ลึกซึ้งจริงๆและมีผลยาวนานนั้นก็มไม่ได้อยู่ในช่วงที่ จะมายกย่องสุดดีกันเพียงระยะสั้นๆแต่จะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติตนให้ผสมกลุมกลืนกับคุณความดีของสถาบันบุคคลเหล่านั้นในข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าได้สมหวางรงเป็นหลักไว้ตอนที่ปรประชนมายุสังขารประกาศข่าวจากนิพพานนั้นความรู้สึกของพระสงฆ์แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีความรู้สึกว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานนั้นก็ใกลก้เข้ามาแล้วต่อไปจะไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าโดยพระรูปกายอีกแล้วท่านเหล่านั้นก็ห้อมล้อมตามสเสด็จพระพุทธเจ้าไปในที่ต่างๆม่ยอมปฏิบัติสมณธรรมมันเป็นเพียนคอยดูแลอาใจใส่พระพุทธเจ้าแต่พระอีกกลุ่มหนึ่งท่านเกิดความคิดว่า เราบวชมาในธรรมินทรยของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วเวล น, นี้พระเจ้าจวจรจะไปนิพพานแล้วแต่เรายังไม่สามารถได้รับผลสูงสุดในทางศาสนาตามที่ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เวลาช่วงสั้นๆนี่แหละบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุอามารตธรรมทันการก่อนการไปรนิพพานของพระพุทธเจ้า ถือถ้าเรามองแบบธรรมดาสามัญมองอย่างคนมีกิเลสมองอย่างคนที่เห็นแก่ตัวคือให้ความต้องการแก่ตัวก็จะย่องสรรเสริญพระกรุปแรกที่คอยดูแลใจใส่ห่วงใยพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นกรอบด้วยปัญญากรุณาบริสุทธิ์อย่างที่ทราบกันเราไม่ได้มีชีวิตเพื่อโปรง่งเอง เป็นการใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์คือคูณแก่ชนเป็นนันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนันมากเพื่อเป็นการรักเราต่อชาวโลกเพรา ะ, ะนันจึงทรงยกย่องพระกลุ่มกลุ่มที่สองเรถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบชื่อว่าเป็นการบูชาต่อพระองค์อย่างแท้จริงเรียงตอกย้ำให้กลุ่มหลัให้กลุ่มแรกถือท่านกลุ่มที่สองเป็นตัวอย่าง นั้นแสดงเห็นว่าการยกย่องสรรเสริญใน ก, การห้อมล้อมการสะดุดดีลักษณะต่างๆแล้วก็แสดงถึงความจริงใจได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มีผลถาวรยัางยืนผลจะถาวรยังยืนได้ก็ต่อเมื่อได้ไดถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดีงามเหล่านั้นเอาไว้ภายในจิตใจของตนเป็นการปฏิบัติตัวในประสงค์กลมกลืนกับคุณความดีของท่านเหล่านั้น ความเป็นปราชาก็ดีธรรมราชาก็ดีถึงแม้แต่คนดีทั้งหลายทั่งแล้วจะเป็นการสะท้อนปัญญาออกม า, าศาสนาพุทธจึงเป็นาศาสนาแห่งปัญญาคร้พุทธาที่แปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานก็เป็นอากาศของปัญญาเพราะคนเรา้ะลองรู้ด้วยหลักการทางาศาสนา โดยการปฏิบัติตามธรรมะที่ทรงแสดงไว้มันก็จะตื่นจากอานาจของกิเลสพระจิตใจจะบริสุทธิ์ขึ้นโดยลำดับจนถึงก็บริสุทธิ์จริงๆโลกธาต์ของคนเหล่านี้ก็จะมองโลกมองชีวิตด้วยความการุณาต้องการที่จะบำบัดความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายเราก็ควรผวาประกอบกระท โดยตนเองและก็เฉยๆจากชนวกนบุคคลอื่ น, นเข้าร่วมกิจกรรมหอดนี้ด้วยก็เป็นเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้สรงกิจธรรมแล้วก็ให้ประชาวกทั้งหลายกระทำหลังจากท่านเหล่านั้นได้ผ่านการศึกษาพระพุทธปฏิบัติจนรับผลด้ตัวเองแล้วก็ให้ช่วยเผยแผ่จีแจงแสดงธรรมะเหล่านั้นแก่บุคคลอื่นนั่นเองเพราะเมื่อปรารถนาจะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีความเคารพศรัทธา ตัวสถาบันประมากัริย์ได้ตอบรตัตนตรายเพราะชอบที่จะพัฒนาปัญญาของตนเองขึ้นไปโดยสาัยการใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้สื่อต่างๆที่ผ่านมาต่างตาหูจมูกลินกายและนำเหล่านั้นมาใครครวนมาคิดมาพินิจพิจารณา แยกแยะออกไปชัดเจนมองเห็นทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านั้นสิ่งทั้งหลายนั้นเราจะเห็นว่ามมีทั้งส่วนสูงมีทั้งส่วนกว้างมีทั้งส่วนลึกแล้วก็มีด้านสีด้านบ้าง8ดด้านบ้าง6ด้านบ้างก็แสดงเห็นว่า การจะรู้เห็นสิ่งเหล่านั้นตามความจริงเป็นจริงก็มองได้รอบด้านการตอกยาวไม่มองรอบเรออาจึงเรียกคํานี้ว่าปริญญาแปลว่ารอบรู้คือรู้รอบด้านไม่ได้รู้เฉพาะมุมใดมุมหนึ่งหรือด้านใดน ด, นด้านหนึ่งเพราะถ้าจับที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็อาจจะเฉียงกันแม้ในเรื่องเดียวกันอย่างเรื่องตาบอดคำช้างที่ได้ยินได้ฟังกัน การพัฒนาปัญญานอกจากจะเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสในชีวิตประจำวันแล้วจะต้องสามารถทรงจำสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ได้เพราะเห็นในโอกาสต่อไปสามารถจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็มีคุณมีโทษอย่างไรเนื่องจากประสบการณ์ที่เก็บสะสมเอาไว้ก็สามารถที่จะเจาะลึกสิ่งเหล่านั้นลงไปได้โดยลำดำับ จนลดละในส่วนที่เป็นโทษลงมือประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ในเชิงปริยัตินั้นท่านยังสอนให้พยายามท่องให้ได้ในกฎเกณฑ์หลักการสําคัญบางอย่างเพราะสิ่งเหล่านั้นบางครั้งมันเป็นสูตรแล้วก็สูตรยาหรือสูตรทางเคมีหรือสูตรอะไรก็ตาม สูตรเหล่านั้นมันเกิดบกพร่องไปเราลืมตัวประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเอาไว้เอาไว้สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะอะไรเพราะส่วนประกอบมันหายไปความจะเป็นในการท่องจําเอาไว้ในหลายในเรื่องจึงต้องมีและปัญญาอีกระดับหนึ่งที่ทรงสอนตอกย้ำไว้มากเป็นพิเศษ ท่านประาชนจะพบชื่อของธรรมะเหล่านี้ในรูปต่างๆเช่นว่าธรรมวิจยัยหรือธรรมวิจัยการวิจัยการสอดส่องการเลือกเฟ้นการแยกแยะธรรมะเหล่านั้นจนได้จุดดีเด่นของสิ่งเหล่านั้นจริงๆออกมาวิมังษาการบันไตรตรองพิจารณาหาเหตุหาผล องประกอบเงื่อนไขต่างๆของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่การทำทานก็ส่งสอนเรื่องวิจัยหรือหมายความว่าสอนเรื่องการใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าเป็นทานแล้วก็ต้องทำได้ไปแต่การปัญญาเป็นเครื่อง ส, นสอนพิทิพิจารณาแล้วก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนรุจิ ด, ดิตทั้งหลายก็ได้เพราะปัญญาในระดับนี้เรียกว่าจินตามายาปัญญา ในแง่ของปริญญาท่านก็ถือว่าเป็นปัญญาระดับที่นำมาไตรตรองหรือเจตรองแต่ตีรณะคือใครครวญเพ่งพินิดปิจนาเพราะทุกอย่างต้องผ่านระบบความคิดอย่างน้อยก็พัฒนาความคิดไปให้คิดได้แล้วก็คิดได้ดีขึ้น แล้วคิดได้เป็นคือเข้าใจคิดไม่จะคิดแล้วเครียดคิดแล้วเดือดร้อนคิดแล้วปวดหัวคิดแล้วเิตักังวลนอนไม่หลับแต่ว่าสิ่งที่นำมาคิดนั้นจะต้องให้ประโยชน์ไม่จะคิดแล้วเกิดโทษสิ่งที่แกแล้วคิดแล้วเกิดโทษนั้นทรงสอนให้บรรเทาเพราะอะไรเพราะความคิดเรามีอยู่สองกระแสกระแสหนึ่งยิ่งคิดยิ่งเย็น กระแสหนึ่งยิ่งคิดยิ่งร้อนเช่นเราคิดด้วยความรักใคร่สนิทส น, นิหาอาลัยโหยหาถึงคนถึงสาวถึงสิ่งของอะไรก็ตามยิ่งคิดยิ่งร้อนคิดถึงใครก็ตามด้วยความโกรธ ด, ด้วยความไม่พอใจจนกลายเป็นอากาศาปจะปัดคิดมากเท่าไหร่จะร้อนมากเท่านั้นแต่ความคิดบางระดับมองกันด้วยความเมตตา มองถึงการเสียสละมองถึงสิ่งที่ตนเสียสละมองถึงการที่จะสามารถสลัดพันฒนาการ ต, าต่างๆออกไปจากจิตใจยิ่งคิดได้เท่าไหร่จะมีความเยือกเย็นเกิดขึ้นเท่านั้นเพราะการคิดของผู้ฉลาดจะต้องคิดแล้วเย็นไม่จะคิดแล้วร้อนกระสับกระส่าย มีตกกังวลเครียดจนเป็นอาการทางจิตประสาทแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ดังแนวข้อการแยกแยะเพราะปัญญาในการคิดนั้นก็คือมองโลกในแง่ที่มันเป็นจริงคราวนี้ไปสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายที่เราพบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นมันมีที่เกาะกลุ่มกัอนอยู่แล้ว กับเรื่องที่แยกย่อยออกไปซึ่งแยกย่อยก็หมายความวัสดุเหล่านั้นยังไม่รวมตัวกันคือก่อนที่จะสร้างขึ้นเป็นสิ่งเหล่านั้นก็แสดงว่าย่อยกันถูกเพราะสิ่งเหล่านั้นแตกสลายมันก็ย่อยไปอีกทีหนึ่งปั้นภาพของสิ่งต่งางๆในโลกมันก็มีอยู่สองแนวคือเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างหนึ่งก็แยกแยกออกแยกจากกันอย่างหนึ่งปัญญาจะต้องเข้าใจทุกแง่มุมในเรื่องดังนั้น แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องลงมือประพฤติปฏิบัติรู้คุณรู้โทษข อ, องสิ่งเหล่านั้นแล้วจะต้องลงมือประพฤติ ป, ปฏิบัติตามนั้นในส่วนที่เป็นคุณก็พยายามลงมือประพฤติปฏิบัติเช่นตัวอย่างจะเน้นที่อะไรจะเอาที่เมตตาหรือจะเอาที่กรุณาเมตตาเมตตานั้นเอาในตอนแรกก็คืออย่ากโกรธก่อน พยายามข่มใจอย่าข้ามใจเอาไว้อย่าโกรธการไม่โกรธนั้นที่จริงก็คือยุติภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนและแก่คนอื่นต่อไปก็ออกม า, มาในรูปของเมตตาเป็นลักษณะการสร้างความรู้สึกการกระทำที่ให้ความสงบเย็นแก่ตนและแกะ่บุคคลอื่นพอธรรมะใช้อย่างนี้เราก็จะเห็นว่า การสามารถเลือกใช้ธรรมะในลักษณะนี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากปัญญาก็ให้เกิดความบรรลุขึ้นระดับหนึ่งแต่แนวในการใช้ปัญญานี้เองก็จะชื่อว่าเป็นการบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชาอย่างแท้ จ, จริงก็สามารถปฏิบัติตนให้ผสมกลมกลืนกับคุณความดีของท่านเหล่านั้นได้ผลที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นจะเป็นผลถาวรยั่งยืนสืบพบสืบชาติไปได้ ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาจึงเป็นชีวิตที่รเระเสื่ต่อจากนี้ไปก็พอให้ตั้งใจต่างความสงบสุข ต, ต่อไป